ระไตรปิดกเล่มที่สิบสองมหาอสศะปุราสูตรข้อปฏิบัติของภิกษุตามลำดับมีหิริโอตัปปะศีล ส, สมบูรณ์เพียรเจริญสติเพื่อบรรลุธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อสศะปุรานิคมของพระราชกุ ม, มารชาวอังคาในแควนอังคาณ้าที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายหมู่ชนรู้จักเธอทั้งหลายว่าสมณะเธอทั้งหลายเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นใครก็ปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะเมื่อเธอทั้งหลายนั้นผู้มีชื่ อ, อย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้ก็ควรสำเนียกว่าเราทั้งหลายจากสมาทานประพฤติธรรมที่ทำให้เป็นสมณะและเป็นพรามเมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ ชื่อและปะติ ญ, ญานี้ของเราทั้งหลายก็จะเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นเราทั้งหลายใช้สอยจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬาณปัจจัยเพสัชบริขารของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายของทายกเหล่านั้นก็จะมีผลมากมีอานิสง์มากเพราะเราทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งบรรพชานี้ของเราทั้งหลายก็จะไม่เป็นหมัน จักมีผลมีความเจริญภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสัมเนียกอย่างนี้แหลธรรมะที่ทําให้เป็นสมณะและเป็นพรามเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสัมเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้มีฮิริโอตตะ ป, ปะบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีฮิริโอตตะ ป, ปะแล้ว พอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะในที่นี้หมายถึงมรซีและผลซีเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปไมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านี้คือพอใจแค่การมีหิริโอตตปัก เราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทาให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลยกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายกวรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีกายสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกพร่องและสารวมระวัง จะไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีกายสมาจารอันบริสุทธ์นั้นมีกายสมาจารบริสุทธ์หมายถึงภิกษุไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ใช้ฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรือสตราทุบตีเบียดเบืยนผู้อื่นหรือไม่เงื้อมือหรือท่อนไม้ไล่กาที่กำลังดื่มน้าในหม้อน้าหรือจิกกินข้าวสุกในบาศเป็นต้น เธอทั้งหลายอย่าพอใจแค่เพียงเท่านี้เพราะมีกิจอื่นที่กวรทําให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเธอทั้งหลายกวรสำเนีกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะมีวจีสมาจาริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกร่องและสํารวมระวังจะไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีวจีสมาจาริสุทธิ์นั้นวจีสมาจาริสุทธิ์หมายถึงภิกษุไม่พูดเท็จ ไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่กล่าวดูหมิน่นใครๆหรือไม่กล่าวถากถางเยาะเย้ยภิกษุกใดๆเป็นตน้นเธอทั้งหลายเป็นผู้มีหิริอุตปตปะแล้วมีกายสมาจารวจีสมาจารบริสุทธิ์แล้วเธอทั้งหลายอาจคิดว่าพอหลักด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทํากิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ เราขอเตือนเธอทั้งหลายอย่าคิดเช่นนั้นเพราะกิจที่กวนทมให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่คือเธอทั้งหลายกวนสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกร่องและสำรวมระวังจะไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีมโนสมาจารบริสุทธินั้นมโนสมาจารบริสุทธิ์ หมายถึงภิกษุไม่มีอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความเห็นผิดไม่ยินดีทองและเงินไม่ตรึกถึงกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเป็นตน้นบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีฮิริโอตตปปะแล้วมีกายสมาจารวจีสมาจาร และโมโนสมาจารบริสุทธิ์แล้วพอหลักด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายอย่ากิจเช่นนั้นเพราะกิจที่กวนทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่คือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะมีอาชีวะบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกพร่องและสำรวมระวังจะไม่ยกตนไม่ขมผู้อื่น ด้วยความเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์นั้นมีอาชีวะบริสุทธิ์หมายถึงภิกษุไม่เลี้ยงชีพด้วยกรรมที่ไม่สมควรเช่นการรักษาไข้การให้น้ำมันทาเท้าการหุงน้ำมันพูดรียบเคียงขอผู้อื่นการสะสมปัญจโครถมีเนยใสเป็นต้นข้อนี้ดูได้จากพระวินัยโดยรวมคือการสแสวงหาลาบสักการะหรือปัจใจสี จากการประกอบอาชีพเหมือนชาวโลกซึ่งพระภิกษุมีหน้าที่เพื่อศึกษาเผยแร่ธรรมะทำตนให้บรรลุธรรมเป็นหลักเท่านั้นแต่มีข้อยกเว้นนะครับว่าการทำเพื่อส่งเคราะห์ชาวโลกทำได้ข้อนี้คงต้องพิจารณาละเอียดหน่อยสำหรับคนที่ต้องคิดเป็นด้วยนะครับเพราะหลายอย่างอาจจะไม่ได้ผิดแต่ไม่สมควรซึ่งการเลี่ยงก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ ทุกอย่างก็อยู่ที่เจตนาขอให้สังเกตคำว่าเลี้ยงชีพนะครับในพระวินัยทรงเน้นการกระทําที่เจตนาคือมีเจตนาประกอบกิจใดๆก็ตามถ้าเจตนาเพื่อจะได้มาซึ่งลาภสกการะแมตต์ความเคารพต่อให้สิ่งนั้นจะมีประโยชน์กับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอยู่ดีนะครับเพราะการบวชคือการสลัโลกถ้ายังอยากยุ่งกับชาวโลก ก็ควรศึกไปทำซะให้เต็มที่นะครับเรื่องพระวินัยมีข้อยกเว้นมากมายนะครับสําหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาอาจจะเผลอปราโมชูบาอาจารย์หรือพระอริยะได้ดังนั้นจึงขอฝากเตือนถ้าไม่ศึกษาให้ดีก็พิจารณาตนเองเป็นหลักนะครับว่าเราบรรลุธรรมแล้วหรือยังเราจเจริญในธรรมแล้วหรือยังเรามีศีลบริสุทธิ์ละคลายความยึดติดได้แลหรือยังก่อนที่จะไปเพ่งเล็งคนอื่นนะครับ ใครจะทำอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขาหรือของท่านเหล่านั้นนะครับบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีฮิริโอตตะปะแล้วมีกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารและอาชีวะบริสุทธิ์แล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้ว เราขอเตือนเธอทั้งหลายอย่าคิดเช่นนั้นเพราะกิจที่กวรทาให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่คือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้คุ้มครองระวานแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลตภะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือ จากปฏิบัติเพื่อความสารวมอินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอาุสรธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จากรักษาอินทรีย์ถึงความสํารวมในอินทรีย์บางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีอิริโอตปะแล้วมีกายสมาจารวจีสมาจารบโนสมาจาร และอาชีวะบริสุทธิ์แล้วและเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายหอหลักด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายอย่าคิดเช่นนั้นเพราะกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่คือเธอทั้งหลายควรสาเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะรู้จักประมาณในโภชนะ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 ความดํารงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยพาสุกจกมีแก่เราบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีฮิริโอตปะแล้วมีกายสมาจารวจีสมาจารโมโนสมาจารและอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้ปุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายและจักรู้จักประมาณในโภชนะพอหลักด้วยกิจเพียงเท่านี้ เราทั้งหลายทากิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายอย่า ก, กิจเช่นนั้นเพราะกิจที่กวรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่คือเธอทั้งหลายกวนสําเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมะเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องจะชราระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะอันเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวัน จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีสําเร็จการนอนหยุดราชสีโดยตะแคงข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่องเท้ามีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมชิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะเป็นเครื่องขัดขวาง ด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัดชิงไ ม, มายามแห่งราตรีบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีอิริโอตตะ ป, ปะแล้วมีกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารอาชีวะริสุทธ์เป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีทั้งหลายแลรู้จักประมาในโภชนะ ประกอบความเพียรในธรรมะเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องแล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายอย่ากิจเช่นนั้นเพราะกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่คือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะทาความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับ การแลดูการเหลียวดูการกู้เข้าการเหยียดออกการครองสังาติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้นการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินยืนนั่งนอนการตื่นการพูดการนิ่งบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มียิริโอดตะปะแล้ว มีกายสมาจาร์วจีสมาจาร์มโนสมาจาร์อาชีวะบริสุทธ์แล้วเป็นผู้คุ้มครองทวานแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะประกอบความเพียรในธรรมะเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องและมีสติสัมปัชยชัญญะแล้วพอหลักด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณนะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลาดับ กิจอะไรๆที่ควรทาให้ยิ่งขึ้นไปไมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านี้เราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนา่าได้เสื่อมไปเลยกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ พักอยู่นเสนาสนะเงียบสงัดเธอตวักจากบินทบาทภายหลังฉันพัฒนหารเสร็จแล้วนั่งคูบรรลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นในโลกมีใจปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธ์จากอภิชาละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เพื่อกูลสัพสัตย์อยู่ ชํมราจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละทีนามิทธะความหดหู่และความเสื่อมซึมปราศจากถีนามิทธะกาหนดแสงสว่างมีสติสัมปะชัญญะอยู่ชํระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนามิท h a ละอุทจักกุกุ จ, จักความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายใน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 เพราะความไม่มีนี่สินเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจคนไข้ถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังต่อมาหายป่วยบริโภคอาหารได้กลับมีกำลังเพราะการหายจากโรคเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจคนต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจา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 เพราะความเป็นไทยแก่นตนเองเป็นเหตุก็จึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจคนมีทรัพสมบัติเดินทางไกลกันดารต่อมาเขาข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้โดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุเ็าจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นนิวรณ์หประการนี้ที่ตนยังละไม่ได้เหมือนหนี้โรคเรือนจําความเป็นทาตและทางไกลกันดานและอิจารณาเห็นนิวรณ์หประการนี้ที่ตนละได้แล้วเหมือนความไม่มีหนี้ความไม่มีโรคความพ้นโทษจากเรือนจําความเป็นไทยแก่ตนเองและภูมิสถานอันสงบร่มเย็น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 เต็มเปลี่ยมด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวทรู้สึกทราบสานอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวทจะไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจาร์สงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยาฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร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 เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิเต็มเปี่ยมด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญทริกดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบุนทริกบางดอกที่เกิดในน้ําเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้าจมอยู่ใต้น้าและมีน้าหล่อเลี้ยงไว ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเ อ, อิออาบบริบูรณ์ซึมซาบด้วยน้ําเย็นตั้งแต่ยอดจนถึงเงาไม่มีส่วนไหนที่น้ําเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุ ก, ก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเ อ, อิบเต็มเปี่ยมด้วยสุพอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายทีุ่ขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้อง ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งราะดละสุขละทุกได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุเจตุทะทะชานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์รอบอุเบกขาอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้องคนนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดสี่สัป ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุแม technology. แม้ฉันใดพิสุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจอันบริสุทธิ์ผุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้องเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมอง เหมาะแก่การใช้งานตั้งมันไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านอื่นออกจากบ้านนั้นไปสู่อีกบ้านหนึ่งออกจากบ้านนั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้ว่า เราออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนี้ได้นั่งอย่างนี้ได้พูดอย่างนี้ได้นิ่งอย่างนี้ออกจากบ้านนั้นไปสู่บ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนี้ออกจากบ้านนั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 งามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเรือนสองหลังมีประตูอยู่ตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ตรงกลางจะพึงเห็นหมู่มนุษย์กำลังเข้าสู่เรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังเดินไปมาบ้างกำลังเที่ยวไปข้างโน้นข้างนี้บ้าง แม้ฉั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นหมูสัตว์ผู้กําลังจุติกําลังเกิดทั้งชั้นต่ําและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เนือมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุด่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวะคยญาณย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธาคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาส ว, วาภวสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบรมอจาร์แล้วทมกิจที่ควรทาเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขาคนตาดียืนที่ขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโขงหอยกรบก้อนกรวดและก้อนหินหรือปูงปลากำลังแหวกว่าอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยโขงและหอยกรบก้อนกรวดและก้อนหินหรือปูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่าอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าหลุดพ้นแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรียกว่าสมณะบ้างพรามบ้างหนาหาตกะ บ, บ้างเวทคูบ้างโสติยัตบ้างอริยัตบ้างอารหันบ้างภิกษุชื่อว่าสมณะเป็นอย่างไร คือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นระ ง, งับได้แล้วภิกษุชื่อว่าสมณะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพรามเป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่ มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นลอยได้แล้วภิกษุชื่อว่าพราหมณ์เป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าน า, ากตะเป็นอย่างไรคือบาปอกุศ ล, ลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นอาบล้างแล้วภิกษุชื่อว่านาหาตกะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าเวทะคูเป็นอย่างไรคือบาปอากุศลละธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้น รู้แจ้งแล้วภิกษุชื่อว่าเวทคูเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าโสติยะเป็นอย่างไรคือบาปอากุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากให้มีชาติชรามรนต่อไปภิกษุนั้นทำให้หลับหมดแล้ว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 ภิกษุชื่อว่าอารหันต์เป็นอย่างไรคือบาปอากุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้ามองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบาเป็นทุกข์ให้มีชาติเจรามรณะต่อไปห่างไกลาจากภิกษุนั้นภิกษุชื่อว่าอารหันต์เป็นอย่างนี้